ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งสิ่งที่คนเราไม่ต้องการคือความเจ็บไข้ในทางตรงข้ามสิ่งที่คนเราต้องการก็คือเมื่อเจ็บไข้แล้วก็อยากให้หายเจ็บไข้อันนี้อาจจะเป็นคาถามเนี่าคตอบแล้วก็เป็นที่เป็นสภาพที่กบปั้นทุบดินสักหน่อยแต่มันก็เป็นข้อคิดที่มีได้กับทุกๆคนแต่เราจะเห็นว่าคนที่มีอาการเจ็บไข้เนี่ย โชคดีสักกี่คนกันเนี่ยอันนี้หมายถึงคนเจ็บไข้ที่ต้องอาศัยการรักษาผู้ป่วยผู้เจ็บไข้เนี่ยนะที่ถือว่าโชคดีก็คือมีหมอดีเนี่ยมียาดีมีเครื่องมือดีมีอุปกรณ์ดีแล้วก็มีจิตใจที่ดี5องค์ประกอบเนี่ยถ้าคนไข้มีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไข้ที่โชคดีเพราะว่า อาการไข้จะทุนเราลงได้ไวแล้วก็บางทีก็หายไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่เจ็บไข้ถ้าเราไม่สามารถจะเลือกได้ในสิ่งภายนอกนเช่นหมอดีมียาดีมีเครื่องมือดีแล้วก็มีผู้ดูแลที่ดีเนี่ยบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาใจดีไว้ก่อน คนไข้ต้องใจดีไว้ก่อนถ้าใจดีแล้วเนี่ยอาการเจ็บไข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีไปหมดอ่ะนะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยถ้าใจดีอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ดีตามกันไปอันนี้คือสังหานที่ใจดีใจคนไข้ต้องดีถ้าใจดีแล้วเราก็จะมีสติดีจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็อาการป่วยไข้เนี่ยมันก็จะค่อยๆทุเลาลงไปลงไป และสภาพร่างกายสภาพจิตใจมันก็จะพลอยดีขึ้นตามไปด้วยอันนี้คือถือว่าเป็นคนไข้ที่โชคดีคือประกอบด้วยหมอดียาดีเครื่องมือดีคนดูแลดีแล้วก็ใจดีเนี่ยถ้ามีครบห้าอย่างเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่โชคดีท่านเคยเจ็บไข้ไหมเนี่ยท่านควรจะหาสิ่งที่โชคดี ในห้าองค์ประกอบนี้จหาข้างนอกไม่ได้ก็ใจเราเนั่นแหละดีไว้ก่อนเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดี